วะ حل العقدة من لساني يبقىه قولي اللهم بيك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وبك نحيا وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله أن إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهديك ووعديك ما استطعت أبوؤلك بنيعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت الحمد لله الذي أحيانا بعدما อาตาน ا وإله النشور ซุลลามุ ل ะลัยุมมะ رحمة الله وبركاته ขออัล ل ัมุลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ سبحانه และุอาลฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างโลกดุนยาที่เราอาศัยอยู่นี่เป็นโลกชั่วคราว เป็นโลกที่มีวันหมดอายุส่วนโลกอาคีร์เป็นโลกที่อยู่ไปไม่มีวันหมดอายุอยู่ไปตลอดท่านนบีมุฮัมมัดสั่งนลยนะให้เราเนี่ยทํางานเพื่อโลกอาคีร์ ทำงานเนี่ยหวังรางวัลในโลกอาคือรักทั้งๆที่ตัวเนี่ยอยู่บนโลกดุนยาแต่ใจเนี่ยต้องนึกว่าความดีที่ทําบนโลกดุนยาเนี่ยที่เราเรียกว่า ง, งานศาสนาเนี่ยนะความดีอันนี้เนี่ยอย่าหวังที่จะได้รับผลบุญหรือวารางวัลบนโลกดุนยาอย่าหวัง คนที่ทําความดีแล้วหวังรางวัลหวังความดีตอบแทนขณะที่อยู่บนโลกดุนยาให้ได้โลกบนโลกดุนยาเนี่ยเขาเรียกว่าทําเพื่อโลกดุนยาถึงจะเป็นความดีที่อลัลลอฮ์สั่งนั่นแหละแต่ท่านเนียของเราเนี่ยไม่ไม่หวังว่าจะประเดร๋ผ ล, ลบุญให้โลกอาคีร์เนี่ยอลัลลอฮ์ก็ให้บนโลกดุนยาไปนี่เลยเช่น ยกตัวอย่างง่ายๆต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์แนะนําวันอัลกัมพีุณอานเช่นเดือนรมอบอลที่จะเข้ามาเนี่การถือสินอดเนี่ยตามที่ท่านอบลเบี๋สอนก็คือมันซ้อมรมอบอลอีมาณัณวัดดีซาบันใครที่ถือสินอดในเดือนรมอบอลอีมาณันถือแบบไหนลนะ่ะ ถือเพื่อให้อีม า, ขานของเราเนี่ยเข้มแข็งการทำอิบัตทุกชนิดเนี่ยทำให้อีมานมันเข้มขึ้นนี่สูตรที่ท่านนบีวางไว้นะมัมซ่มารอมบอนอีมานันใครที่ถือศึนอดแล้วใจนึกให้อีมานของเราในเข้มขึ้น วัติซาบันแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจาก a l l a ไอรางวัลนี่เราต้องรู้อีกเหมือนกันว่า a l l a ให้ในโลกอาเิรอให้อะไรอ่ะกูฟิราลาหูมาตกัดมมินซัมบกูฟิรหมายถึงถูกลดถูกอาภายัยกูฟิโแล้วูความผิดของเขานั้นถูกลดถูกถูกยกถูกอาภายัย เนียดอย่างงี้เนี่ยเนียดเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเนียดผลโลกอาคืเราอัลลอฮ์อภัยจะโทษให้ใช่ไหมเนียดเอาผลบุญจากการถือสินอดเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ให้อิมานเพิ่มเนียดอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยจะโทษให้แตนี้บางคนนั่นเนียดอีกเนียดบนดุลยานี่แหละ แต่เนียนให้ได้บนดุนยานี่เลยไม่ได้นึกถึงอีมานเนียดถือสินอดพ่อหมอแนะนำลุงลุงลุงน่ะอ้วนขึ้นแล้วนะกินอาหารน้อยๆหน่อยกินผักเยอะๆหน่อยยกตัวอย่างก็เราก็เนียดเลยเดือนระมาบอนี่แหละเนียดเพื่อที่จะให้น้ำหนักลด เนียดใหม่ให้ให้น้ำหนักโลกให้เบาหวานลดให้ไขมันลดให้หุ่นซแ ล, ลนเดอร์อนึกสามสี่รายการนี่แหละแล้วก็นึกแค่นี้จริงๆอ่ะอย่างนี้คือวเนียดเพื่อทำความดีเนียดเพื่อโลกดุนยากุศลลหูมาตะกอดเดวมินซาบีไหมอรรชาพยาโทษได้ไหม ไม่อภัยอ่ะพออีมานันมันไม่มีมาเดเนียให้อีกมหามันเพิ่มแต่เนียให้ไอ้นู่นเนียให้มันเพิ่มเองเนียเนียไทยลดแค่ว่าล่ะไอไรมันลดเบาหวานลดเอ็นนิลดเอ็นนิลดอัลลอฮ์ให้ไหมให้โดยอัตโนมัตินะคนบวชอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วบนดุนยาเนี่ยถึงไม่ขออัลลอฮ์ก็ให้เพราะสูตที่อัลลอฮ์วางไว้ไขมันลดเบาหวานลดคุณ สเตนเดอร์อะไรอะไรปรอภัยใครเจ็บดีหมดไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปนึกให้นึกก็ได้อีมานันคำดีทุกชนิดนึกอย่างเดียวอีมานันให้อีมานเพิ่มวัาติซาวันหวังรางวัลตอบแทนที่อลัลลอฮจะให้อะไรบ้างเช่นเราได้ยินหะดิษนบีสอนบทอื่นอีกอะไรนะจะเข้าประตูทาง ประตูบานหนึ่งชื่อว่ารอ ย, ยานก็ต้องนึกประตูรอยานพันยังไงแบบประตูสุราหรือเปล่าอย่าไป น, นึกลเลยอ ด, ดุนยานี่อัลลอฮฺไม่ให้อ่ะให้ดีกว่านี้ตั้งเยอะฉะนั้นอะไรอยู่บนดุนยานี่อย่าไปเทียบกับสวรรค์เลยอย่าไปเทียบกับสวรรค์อา้าผมอ่านฮะดีสพบเนี่ยในทัฟซี ในต afsir อะไรนั้นท a f s มาอา่านในคุรขุรานนะก็บอกว่าไซดีนาอาลีนี่นะนี่ยังไม่ได้แปลกุรานนะคุยไปก่อนไซดีนาอัลีเรออาดิยลลอฮ์หวนดูเป็นใครไซน า, าลีเนี่ยต้องนึกอ๋อเป็นสุฮาบะแต่งงานกับลูกสาวท่านนาบีชื่อฟาติมามีลูกชื่อฮัสซันอูเซนต้องนึกภาพนี้ด้วยไซน า, าลีพูดอย่างนี้ ว่าโลกดุนยาเนี่ยมันต่ำต้อยแค่ไหนสังเกตดูสิแต่คุณยังยังยังรักยังอยู่ไอรักไม่ว่าก็รักไปก็แล้วกันนะวัตถุบนดุนยาใบนี้ที่ว่าดีที่สุดเนี่ยมาจากของที่ต่ำที่สุดท่านยกตัวอย่างอะไรถึงมั้ยผ้าไหมผ้าไหมนี่แพงที่สุดใช่ไหในบรรดาเสื้อผ้าทั้งหมดนะแพงมากเลยท่านบอกว่าอะไรนะ อัชรอฟลีบาซบานีอาดัมอัชรอฟแปลว่าประเสริฐที่สุดดีที่สุดลีบาสหมายถึงเสื้อผ้าอาพรลูกหลานของอาดัมเสื้อผ้าที่มีราคาแพงที่สุดสําหรับคนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้รู้ไหมาทรมาจากอะไรผ้าหมายทรมาจากอะไรลัวบูดูดะรรมาจากน้าลาย <c oughs> น้าลายอะไร น้ำลายหนนอนแปลว่า ต, ตัวไหมอ่ะดูดายประวัตินอนเอามาจากน้ำลายตัวมอนนี่เราไม่เคยคิดใช่ไหมล่ะเราไม่เคยคิดเรามองผ้าไหมโอโลแหงเหลือเกินนี่คนในยุคก่อนนั่นน่ะยุคซะลัฟเนี่ยลูกหลานนาบีใช่ไหยญาตินบีเล่าให้ฟัง คนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเหอกันมาเหอเรื่องผ้าไหมแล้วเกินพวกสอสอ ส, อสอวรัฐมนตรีใส่ผ้าไหมหมดน้อัน้อิออิสลามอะมุสลิมเขาห้ามใส่ที่ห้ามใส่เนี่ยคงมันจะนึกว่ามาจากตัวมลเขาตัวสัตว์เป็นน้าลายสายัตว์หรอกแต่มาอัลลอฮ์สั่งอ่ะอัลลอฮ์สั่งไม่ให้ใส่ก็ไม่ให้ใส่นบีสั่งไม่ให้ใส่เราเชื่อนบีอ่ะแต่ไซนาลีมาอธิบายว่า อโลผ้าที่ดีที่สุดมีราคาแพงที่สุดที่คนเขาเห่กันวันนี้นะนั่นนำมาจากอะไรนน้ําลายน้ําลายอะไรน้ําลายหนอนอโลเพราะว่าอย่างนี้เ อ, อตาสว่างขึ้นเยอะฮำไปแล้วขอบคุณ Allah. อัลลอฮ์อ่าดูต่อไปอีกว่าอัชราฟูชาลอบิและเครื่องดื่มที่ว่าดีที่สุดวันนี้อะไร ไม่ใช่ที่ที่มนุษย์ทำเองนะที่มาจากอัลลอฮ์นั่นแหละนำอะไรนำพึ่งว่าอัชรฟูชารอบิฮีรอจีอูนัดอัลตินมาจากของเหลือเหลืออุจจาระนะะั่นแหะของใครของตัวพึ่งเห็นไหมคนรุ่นก่อเนี่ยหน0่ 1, ปีคิดได้ยังไง ถ้าไม่ถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตานะี่ยคิดคิดไม่ออกหลอกงานอย่างเนี้ยแล้วคนรุ่นใหม่เนี่คิดออกอก่ะไม่ได้คิดแล้วคนรุ่นใหม่นี่็ก็กคุยนะใครที่เอาอะไรนะวัตถุที่เหลือชายแล้วที่เสียแล้วเอามาพัฒนาออได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเพราะอัน คำพูดของไซนาอัลีกับคำพูดของใครตะใครที่พูดว่าเอาเศษนู่นเศษขยะบ้างอะไรบ้างมาทํำนู่นทนํานี่คนนี้เป็นคนอัลลอฮฺพัฒนาเก่งอะไรเก่งเนี่ไไซนาอัลีพูดนํำมาไว้ก่อนแล้วขอบคุณอัลลอฮฺสุภานณอุวาตาลาที่นบี m u h a ม m a d สอนอัลลอฮฺสอ น, Allah, สอนบอกว่าให้เราเอายึดเอาคนถ้าจะยึดคนเป็นแบบนี่นะ ยึดซอฮบะนาบีพระเจวชาวซา ล, ลับซาลับโซลีฮินคนดีๆในยุคก่อนๆนั้นเอาเป็นแบบทีนี้แบบที่ท่านนบีต้องการคือแบบดีๆอย่างเช่นเขานมาดยัยยังไงเขาอ่านคุรฮานยังไงเขาบริจาคยังไงเขาคิดอะไรให้เอาแบบของเขาเนี่ยมาคิดอาทีนี้มาดูเรื่องการเนี่ยจะเข้ารามาบอออีกไม่กี่วันนี้ ซอ บ, บานนบีนะเขาทำอะไรซอ บ, บ้านนบีเนี่ยเขาเตรียมตัวนะเตรียมตัวเลยนะเขาเรียกว่าอิสฮารุสูรูดแสดงตัวด้วยความดีใจว่าเออเดี๋ยวนามดอนจะมาแล้วแบบเราอาจจะเปรียบเทียบกับคนที่จะได้สตางค์ยกตัวอย่างนะอ๋อมีมรดกขายผล ง, งานหนึ่งตารางวัน ล, ละสองแส น, นิาคอนหะนีม้งะ ขายปลาสักครึ่งงานรองเงินเท่าไหร่เป็นร้อยร้ยล้านอ่ะหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านมันนึกอะ่ะถ้าได้เงินได้ครั้งนี้แล้วนะจะซื้อรถออกมายีห่ห้ออย่างดีล้านกว่าอย่างนี้ใช่ไหมยกตัวอย่างนะมันมีอารมณ์อะ่ะเออได้เงินมาเมื่อไรฉันจะฉันจะฉันจะฉันจะนั่นคนที่หลงอะไรนะหลงวัตถุ แต่นี้เราถูกอบรมถูกสอนไม่ให้หลงวัตถุเยอะๆแต่ให้หลงอามันติซอนแหละฉะนั้นพอ น, นึกถึงเดือนละมาบลเนี่ยต้องนึกถึงสวรรค์เลยอะ่ะเพราะอาลัลลอฮฺจะเปิดประตูสวรรค์ให้กับคนที่ถือศีลอดทีนี้ก่อนที่จะถึงเดือนถือศีลอดให้เตรียมตัวเลยคุยกับพี่บ้านคุยกับแฟนคุยกับลูกๆลูกเอ้ย ในเดือนอรรมดอนอันประเสริฐต้องใส่ประเสริฐด้วยนะเป็นเดือนที่มีบราระกเป็นเดือนที่อัลลอจะประทานริสุีประทานของดีๆให้กับคนที่เป็นบ่าวอัลลอฮฺที่ทาตัวดีต้องคุยให้ลูกๆฟังที่บ้านแล้วก็เดือนอรรมมาดอนเนี่ยเขาทาอะไรกันน่ะก่อนเข้าอรรัมมาดอนสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเขาเรียนกันเขาเรียนอะไรอักามุ ร, รัมดอน กฎกดก ด, กดที่เอาล่อวางไว้เนี่ยในเดือนระมาดอลไม่ควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรแล้วก็ควรทําอะไรควรทําอะไรควรทําอะไรต้องเตือนกันเตือนตัวเราเองด้วยอันนี้เดือนระมาดอลจะมาเนี่ยนบีก็สั่งอยาถือศีโอดก่อนเข้าระมาดอลสักสองสามวันแล้วก็ต้องนึกทําไมนบีห้ามขอคุชแล้ว เ้าก็ไม่ถือไม่ถือสองวันสามวันสีวันนี่ไม่ควรถือละเพราะมันจะเข้าอยู่แล้วใช่ไหมัมนมีสองฮิกมาตัวกันฮิกมากหนึ่งเชื่อนะบีฮิกมากที่สองก็คือว่าคนถ้าถือถึงอดเยอะพอรมฎอนจริงๆมันเพลียเหมือนกันนะมันก็แยกทําไมแยกก็บวชก่อนมาแล้วเป็นอาทิตย์แต่ไม่ได้หยุดเลยเนะี่ยอย่าไปทําเนี่ยฮิกมากที่ท่านนบี เราเรียนอักามเรียนหาความรู้จากความสําคัญของเดือนอมอดอนก่อนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องอะไรนะปลุกอ่าปลูกตัวเราเองปลุกลูกหลานเราญาติพี่น้องเราให้เตรียมตัวเข้าสู่เดือนอมอดอนอันประเสริฐนะอัลฮัมดุลิลละครับมาดูอายะอัลกุรอานสุร้อนนัฮลอายะที่ห้สิบ و يجعلون لما لا يعلمون نصيبا نصيب นซบนี่ยเราภาษามลายูก็พูดนัซีบนีซีบแปลว่าอะไรนะส่วนแบ่งนัซีบแปลว่าโชคอก็ได้นัซีบแปลว่าโชคหรือว่านัซีบแปลว่าส่วนแบ่งแต่คุรานตรงนี้ต้องการจะบอกว่าอุทิศให้ มีส่วนให้อุทิศให้หรือมอบให้คืออาย่านี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้ว่าญจติลูนะพวกเขานี่น่ะตั้งหรือว่าอุทิศพวกเขามีนำมอบหรืออุทิศหรือให้พวกไหนนะไม่ใช่พวกมุสลิมต้องการจะอธิบายว่าพวกมุชริกีนพวกมุชริกีนคนที่ไม่นับถือ คนที่นับถืออัลลอฮ์อง์เดียวหรือยังไม่พอไปนับถือสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์อีก elle. อ่ะเอาเช่นอะไรบ้างคนที่บูชาดวงอาทิตย์คนที่บูชาอะไรนะดวงจันทร์คนที่บูชายนะินคนที่บูชารูปเจเวิคนที่บูชาชัยตอนคนที่บูชาอะไรนะวัตถุคนที่บูชาปู่ย่าตายาย นึกจะทำอะไรก่อนกป็นนึกถึงปู่ย่าตายายว่ะเขาสอนมาหรือเปล่าเช่นเรียนแบบทำขาวเนียวเหลืองไก่ปิ้งเอาเอาทุกกลุ่มพวกเราก่อนนะนะเนี่เอามาจากพย่อมหมดเลยเอามาต่าแช่หมดเลยทีนี้แล้วคนที่บูชากูโบก็เหมือนกันโตตะเกียร์โตระยองโต๊ะนาโตอะไรโต๊ะอะไรใช่ไหมรวมไปถึงคนที่บูชามาลาอิกะมี คนที่บูชานาบีอีสามีคนที่บูชาอะไรนะอืมอนนะละตุ้งต้นไม้วัตถุพวกนี้เนี่ยมาสังเกตนะพวกนี้มีสิ่งที่ต้องถวายให้กับสิ่งที่เขาบูชากันอยู่อ่ะพี่อน้องดูไปหาพี่อน้องดูคนจีนนะ่ะอามา ร, รู้ใช่ั้มต้องเอาอะไรวาง ไว้พระจันทร์วายพระจันทรน์เอาอะไรวางผลผลไม้แล้วก็มีอะไรอีกพวกไก่นั่นแหละนะไอส้สวนที่เอาไปวางนั่นแหละที่อรรถกันพูดถึงนะส่วนที่เขาเอาไปวางไว้นะอุทิศถือถวายเพื่ออะไรนะเพื่อดวงเนะเพื่อดวงจันทร์ใช่ไหมเอาคนที่ไปปล่อยไก่ที่กูโบโต๊ะอะไร ต, ตเกียนี่ก็เหมือนกันหมดนะเอาแพะไปปล่อยเอาไก่ไปปล่อยใช่ไหมกับแบบคนจีนเอาเอาหัวหมูไปวางไว้ใช่ไหมนี่เข้าหมดเลยนะนี่อลัลลอฮ์ต้องการจะเล่าให้ฟังว่าคนที่บูชาสิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอฮ์เอาสิ่งเอาอาหารเอาริสกีที่เราได้ให้กับพวกเขานะ เอาไปเป็นไปไปถวายเอาไปบูชาหัวหมูก็หมูของใครของอัลลอเห็นยังตัวตะเกียก็เหมือนกันตัวตอะไรอะตัวระยองอะไรตัวอะไรอีกอะตัวตะเกียตัวเกาะก็ได้อะเอาแพะไปปล่อยเอาไก่ไปปล่อยแต่ไม่ได้เชื่อด แต่ของคนพี่น้องชาวจีนเนี่ยเขาเชื่อดเรียบร้อยดีใช่ไมเอาหัวหมูไปแล้วก็บางคนก็เอาผลไมอ้อ่ะใช่ไหมเอาข้าวบาง่งอะไรบ้างใส่วางวางวางวา ง, วางไว้ถามว่าวางทาไมก็ให้ก็นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เขานับถืออยู่เนี่ยอโลัลลอพี่น้องเห็นอย่างอัลลเล่าอัลลอฮฺถามวายะจาลู่นะ่ะพวกเขาเนี่ยนะตั้งหรือว่าอุทิศ สำหรับเจเว็ตที่พวกเขาลายะละมูนพวกเขาไม่รู้จริงๆนะลายาละมูนที่พวกเขาทำน่ะเพราะความไม่รู้ของพวกเขานะทำนุ่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นบูเอาหัวเนุ่นไปวางอันี้ไปวางใช่หมเขาทำเพราะความไม่รู้นาซีบันแต่ว่าสิ่งที่เขาอุทิศให้กับสิ่งที่เขาบูชา มิมารอจากอนาหุมริสกีที่เราได้ประทานให้กับพวกเขาเอาไปถวายอลัลลอเห็นไหมอา้าวยังก็สารพระภูมิก็มีใช่ไหมอ่าใช่มีหมดแล้วฝ่ายของมุสลิมมันมีอะไรบ้างอ่ะทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งใช่ไหมล่ะแล้วก็วางไว้ ใส่ห้องเอาไว้ที่ผมจะยินมาอย่างนั้นนะใครว่าแล้วก็ห้ามลูกแตะเอาไว้ในห้องก่อนกูจะให้ผีกินก่อนนั่นแหละให้ใช้ตอนให้โต๊ะแน่ๆกินให้วิญญาณก็โต๊ะแน่ๆมากินก่อนเด็กๆอย่ายุ่งนะวางไว้เลยในยอดผมเล่าบบุมฟังเองอ่ะโต๊ะเขาทาเองแล้วก็เข้าเขาเข้าห้องเขาไปกินกินออกมาก็ก็ด่าอยู่นั่นแหละ <S <S มึงไปกินก่อนได้ทําไมโต๊ะแน่ๆยังไม่ได้กินไ เออปากเดียวนี่เข้าหมดเลยนะอ่านี่เห็นไหมแล้วก็รอพอไงนะลายละมูนพวกเขานะ่ไม่ได้ไม่รู้เลยที่เขาทำเนะี่ยมันพิษลายละมุนเขาไม่มีความรู้ที่เอาส่วนส่วนแบ่งส่วนแบ่ ง, บงเอาไปถวายถวายถวายถวายทุกศาสนาเข้าหมดเลยนยะแล้วเอาส่วนไหนไปถวายนะมิมาเราจักกนาบุต ส่วนที่เราได้ประทานริสกีให้กับพวกเขาแหละไปบูชาบูชาบูชาบูชาอา้าวอัลล์ว่าไงตัลลอ์ขอสาบานต่ออัลลอ์ฉันจะต้องแน่เน่นะตัลลอ์นี่อัลล์บานเลยนะสาบานต่ออัลล์ลตุสอัลุนนะฉันจะสอบสวนเขาเห็น ไ, ไหม ฉันจะสอบสวนเขาอัลลอฮฺน้องนี่ถ้าไม่อ่านกุนอ่านเนี่ยไม่รู้และถ้าไม่อ่านตับซีก็ไม่รู้ถ้าอ่านเปินผ่านๆ น, น, นะไม่รู้เพราะอ่านลึกๆแล้วอัลลอฮฉันจะสอบสวนคนที่เอาฤิษกีของฉันจะเป็นหัวหมูหัวอะไรก็ตามจะเป็นอะไรนะคนเนยวเหลืองไก่เ้งที่เนียดให้กับคนนั่นคนนี้คนนี้คนนั่น ทั้งหมดเหล่านี้นะฉันจะต้องสอบสวนเขาอย่างแน่นอนอย่าลืมนะถ้าสมุดบัญชีของเราถูกอัลลอฮ์เปิดนะจบที่เรากลัวนะี่กลัวอัลลอ์เปิดต่างหากแล้วแต่หากว่าเรียกว่าไฮซาบายซีเรอคิดบัญชีแบบง่ายๆเนี่ยอธิบายยังไงพอสมุดบัญชีมาไม่เปิดผ่านเลยกับเปิด ในเปิดเปล่าเนี่ยเปิดเพราะอาลัลลวันจะต้องสอบสวนเขาแน่ๆทำชีริตนี่ไงชีริตนะ่ะนับถืออ AH ัลลอลยยังไม่พอใจนับถือสิ่งอื่นๆอีกคู่กับอัลลอุภาณอูตะตอไรโอ้โหพี่น้องนี่ไงหไหมขอบคุณอัลลนะที่อัลลอได้ส่งกุรอานมาเป็นทางนำสำหรับชีวิตแล้วก็สรงนบีมุฮัมมัดมาสาธิต แล้วก็ทรงเนี่ยชาวซาลาฟุ่นก่อนๆมาอธิบายเรื่องอย่างนี้ให้เราฟังทำบุญให้โคตรคนตายเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเนะี่ยทำบุญให้ไถ่คนโน้นให่คนนี้ให้ทำผิดทั้งหมดไม่ได้ออิมามชัยพูดไงรูไง้ไหม คนละบุญเนี่ยที่ทำบุญทำบุญเนี่ยนะไม่ถึงคนตายบาปด้วยเนี่ยไม่ถึงด้วยบาปด้วยถูกอรรถสอบสวนด้วยถ้าจะถึงมีอยู่อย่างเดียวอะไรดุงไอ้มะวาลาดุนซอลิฮุนยัดองอิดามะตับโนอาดัมอิ่งก็ต้องออามาลูลูกหลานของอาดามเวลาตายแล้วนะบัญชีปิดเปิดไว้แค่3ช่อง 1ช่องสองช่อ ง, ส, อ ง, องสามช่องช่องที่หนึ่งอะไรสดากอตุนยาริยตุนความดีที่คัาธรมคือสอดกอยาริยท า, าไว้ผลบุญมันไหลถึงบริจาคก่อนตายอ่บริจาคก่อนตา ย, าตายลูกลูกทาถึงพ่อเลยแล้วก็อันที่สองอินมุนยุนตาฟารบีความรู้ที่ผู้ตายสอนเอาไว้เนี่ยอย่างนี้สอ น, อนสอนอย่างนี้ ทังอบิสอนต่อนะพลละบุญมีอบรมลูกนี่ลูกหนะ้าทำตัวให้ดีในเดือนมกอนนะพลละบุญถึงเราตลอดเวลาเลยเอาข้อที่สามว่าละดุลสอเลหุยญาณอละโลูกขอดุอาให้ตรงๆเนี่ยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเนี่ยไปบูชายินบูชา ย, ยไไินเป็นไงนบีสอนอีกอะพอจะพ อ, พ อ, พอขับรถไปจะไปนอนจะแถวระยอง เป็นโรงแรมสมัยก่อนโรงแรมไม่มีใช่ไหมเจ้าของอะไรเจ้าเจ้าที่อเจ้าที่อย่ารบกวนฉันนะฉันขอนอนหน่อยนี่ขอจากใครขอจากเจ้าที่เจ้าที่ใครไม่ใช่อลัลลอฮ์นะนี่หมายถึงยินหรือชายตอนอัลลอฮ์ห้ า, หามนักหนัก ข, ขอยังเดียอลัอลลอฮ์ยังไม่พอใจนี่นไปถวายอีกไงหนัก ฉันละตุสอาลุนนะตัลลอขอสาบานต่ออัลลอ์ฉันจะต้องสอบสวนเขาแน่ๆอามากุนต um ุมตัฟตรูนที่สูญเจ้าได้ตอแหลที่โกโกหกเห็นหพูดตัฟตรูนด้วยแปลว่าโกหกตอแหลกุขึ้นมาที่ไม่มีที่นบีมุฮัมมัดไม่เคยทำเป็นแบบแล้วไปทำทำไม นบีไม่ทำเป็นแบบไว้เลยไปทำทำไมฉันอุสตส่าห์แต่งตั้งมุฮัมมัดขึ้นมาคนหนึ่งวิธีเข้าหาอนะัลลอฮ์นี่ยทำยังไงนมาดนี่นี่นมาด้วยท่าทางที่ฟูชัวใส่เสื้อผ้าที่สะอาดใส่น้ำหอมแล้วแปลงฟันนี่งานซุน่นานบีที่ทำไว้ไม่เอาเอาเหมือนกันจะทำอย่างอื่นคู่กันนี่ก็บาปอย่างแรงเลยนะ ตัอลอให้ขอสาบาต่ออัลลอฮ์แน่ๆฉันจะต้องสอบสวนเขาเอาเรื่องเขาในสิ่งที่เขาได้โกหกบทที่ลูกทำให้พ่อเนี่ยมันถึงทั้งหมดอย่างลูกจะบริจาคสั่งมัสยิดนี่นะไม่ต้องเนียอ ถ, ถึงพ่อเลยนะไอความดีที่ลูกทำถึงโดยอัตโนมัติ ถึง้วยอัตโนมัติเลยเนียดด้วยตัวเราเองนี่แหละช้านๆเพื่ออัลลอไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่คือผลบุญที่ลูกทำความดีเนี่ยมันถึงพ่อแม่ที่ตายไปไม่เนียดก็ถึง ก็มันสาสาว่ามันถ้าพูดอย่างนี้สาส า, ามันจะดีหน่อยนะนนั้นเองแต่มาเดเนียให้พ่อนะผลละบุญมันก็ถึงพ่ออยู่แล้วอ่าไม่ใช่ผิดผิดอย่างนี้นะผิดเลยแหละก็เหมือนกันเหมือนกันบริจาคนะสร้างมัสยิด เพื่อตัวเองนี่แหละหลังจะทำความดีให้ขอุดูอาต่ออัลลอฮ์ทำบุญเลี้ยงอาหารครูศาสนาประถา ม, มีอยู่สามสิบเก้าคนเลี้ยงบุญเลียงอาหารกลางวันทำเพื่อตัวเองเพื่ออัลลอฮ์นี่แหละหลังจากทำบุญแล้วขอุดูอาหรือไม่ขอถ้าขอนาดีผลบุญถึงพ่ อ, ดอโดยอัตโนมัติี่นอนอยู่ในกูโบนี่ต้องต้องต้องต้องเข้าใจในเรื่องแล้วนี้ถ้า ถ้าเนจะเนียด เ, เพื่อคนตายระวังเดี๋ยวมันจะข้าวายานี้ข้าจะนะได้อยู่แล้วลูกทำหนักความดีมันได้อยู่แล้วนะทำลีๆแล้วเอาพี่น้องนะเช่นมีคนมาฝันตัวฉันเห็นย่อมมึงอะมาหาอัวแบบพร้อมอะ อ่าเพราะว่าอย่างนี้ใจเสียแล้วสิก็นึกสุนนนาบีไม่ไม่ได้ให้แบอย่างไวเออเลยนึกใช่ไหมแล้วก็มีแชร์ก็ทำไงสมัยก่อนน่ะแค่ก็ทำบุญอ่าทังก็เชิญต่อย้อนนี่แหละมากินบุญนี่เนียดเลยให้คนตายเนี่ยย่าไปทำย่าไปทำย่าไปทำานงเพราะอัลลอตาลาสั่งเอาไว้นบีสอนเอาไว้วละลาดุลซอลีหุนย่ดัองอลลลูก ขอดูอาหให้พ่อแม่ฉะนั้นลูกต้องนำมันไม่าดลูกต้องเป็นคนดีลูกต้องเป็นคนที่ถือเสื้อดไม่าดตอนอักรากดีนิสัยดีปรับปรุงตัวเองซะแล้วก็พยายามขอดูอาต่อลอดสม่ำเสมอทุกเวลานำ ม, มาตอนสู้ยูดยิ่งดีไอ่ลูกขึ้นนำ ม, มาแต่ฮัดยุทธ์เยอะๆไงพาะเขาฝันว่าเห็นย่อผอมอ่ะคจริงก็โหกก็ได้ไม่ไม่เชื่อก็ได้ใช่มนะ่ะเพราะว่า อัลลอฮ์เนี่ยสั่งให้เราเนี่ยลูกๆเนี่ยต้องเป็นลูกที่ดีความดีที่ลูกทาถึงพอ่อโดยอัตโนมัติเลยนะครับทั้งพ่อทั้งแม่นะ่นนะพ่อแม่ออะไรยลูกจะทนยกัอ่ายัดไม่ถึงไม่ถึงก็ถามว่าแกแขงชอบกินอะไรนะะยาไปถามว่ายอชอบอะไร ถามว่าแขงชอบกินอะไรชอบกินส้มตำเอาส้มตำ ม, มาเลี้ยงผลละบนถึงยอมไหมถึงครับเอาต่อไปว่าจะเกลูนัลิลลาฮิลเบนาัด سبحان หูวะลุหุมมายัชะฮูนคนอรับ อธิบายก่อนนะคนอาหรับมีความเชื่อแบบคนจีนแบบคนอินเดียนะ่ลูกผู้หญิงเนี่ยถ้าลูกใครไม่ลูกผู้หญิงนี่นะเหมือนมีเสืว้วมีเวทยอยู่หน้าบ้านไม่อยากให้มีลูกผู้หญิงเลยอยากจะมีลูกอะไรลูกผู้ชายคนอาหรับสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้ละก่อนที่จะรับอิสลามคิดเหมือนกันเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะ ลูกผู้ชายเอาไว้สืบสกุลได้อ่านบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ให้ให้เห็นเลยนะลูกลูกผู้ชายนบีเสียชีวิตหมดหหเมดนะมมลลหลือแต่ลูกผู้หญิงแล้วก็คนชาวบ้านก็เริ่มพูดน่ะมุฮัมมัดแย่แล้วลูกผู้ชายตายหมดเหลือแต่ลูกผู้หญิงคนนบีไดยนินนบีก็เสียใจ อ, อ่ะอัลลอฮ์ลงบทาอันอันอันกูอานลงมาไม่ใช่ไม่ใช่ บอกไม่ใช่เราบอกไม่ใช่เขาพูดว่าอับตัดนะอับตัดมือนบีนมือด้วนอ้าหมาก็อกตอนจะบอกว่าไม่มีใครมาต่อสกุลให้ครอบครัวามาเจริญเราบอกไม่ใช่มี إ ي م านทหารอ้าตอเอาอ ي มานมาแทนอย่าเอาลูกมาแทนใครคนที่มีอ ي มานมีนมาดมีกาลิมาเ ต, ตาวเฮชฮะด มีของดีๆที่มาจากอัลลอฮ์เอาไปปฏิบัติครอบครัวนั่น Allah, อัลลอฮฺอาญานบีอุหมัดลูกผู้ชายไม่มีใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยที่เรารู้จักน บ, บีมูฮัมหมัดได้มากกว่าคนที่มีลูกเป็นสิบคนสิบห้าคนที่เป็นลูกผู้ชายใครชมน บ, บีมากกว่ากันวันนี้น บ, บีถูกชมจากประชาชนมากกว่าทาั้งๆที่ลูกผู้ชายไม่มีแต่มีอะไรมีอิสลามมี إيمان ม, มีคําสอน่ะ เป็นมรดก pues ของท่านนบี creepy, เอาความรู้ไปเห็นั้ยเห็นหรือยังอาฉะนั้นวายาจารุนาลินลาฮิบานาและพวกเขาชาวอาหรับปาเทือนตั้งอ่าตั้งยาจารุนแปลว่าตั้งบานาลูกผู้หญิงลิลลาฮิเป็นลูกของอัลลอ เน ue, อเล่าให้ฟังว่าคนในอาหรับเนคิดยังไงกับฉันคิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยลูกผู้หญิงทั้งหมดมนุษย์ที่เป็นลูกผู้หญิงนะั้เป็นลูกสาวใครเป็นลูกสาวอัลลอฮ์พาะตัวเองไม่เอาอ่ะถ้ามีลูกผู้หญิงฉันเนอเสียหน้าแหละก็ทําไงให้เป็นลูกอัลลอฮ์ไปเลยอัลลอฮ์ไปไปไปลูกผู้ชาชยฉันเอาเนออัลลอฮ์ไม่พอใจ เพราะฉะนั้นสุบฮาเนหูมหาบริสุทธิ์ยิ่งแต่ Allah จะไม่ Allah ไม่มีลูก Allah ไม่มีพ่อ Allah ไม่มีแม่คือคนอาหรับเนี่ยมันก็คิดแบบคนสมัยนี้แหละกลัว Allah จะเหงาอ้าวอย่างเราเหงาเนี่ยเราเข้าหาใครมีแต่งตัวสวยๆภรรยาแต่งตัวสวยๆใส่น้ำหอมหอมคุณนเนี่ย เวลางานเร า, าร ก, กับเธอนอนไม่หลับหให้ให้เมียนวดบ้างอะไรบ้างจะบผมจับหัวบ้างสาวว่ามันหายหายเงานะนั่งคุยกันกับภรรยาเรากับลูกเรามันอิ่มเอิบอย่างอายุก่อกที่ผ่านมาใช่ไหมใครที่มีลูกแล้วก็ลูกเนี่ยย่าดูรูอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะ่ะี่เป็นเนื้อมัดนะ่ะนั่นอัลลอฮฺให้กับมนุษย์แต่มนุษย์บางกลุ่ม เชื่อว่าอัลลอ์เหงาแบบนี้ฉะนั้นก็ให้อัลลอม์มีเมีซะให้อัลลอฮ์มีลูกซะชื่อนบีอะไรนบีอีสซาไม่ให้อัลลอ์เหงาอัลลอฮ์ท า, านะฮูฉันมหาบุญสุดสะอาดไม่ต้องพึ่งใครทั้งนั้นลูกไม่มีภรรยาไม่มีฉันไม่เหงาและฉันน่อะไรนะซุะอ้นั่นนะ่ะอ้ยยุซีนะ่ะใช่ไหมละตะคุุนตุวละลามลูมาฟิสมาวเวะมาฟิล อัลลอฮ์เป็นเจ้าของชั้นฟ้าเป็นดินไม่มีลูกไม่มีเมียไม่นอนไม่ง่วงอะไรทั้งนี้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยงสุบฮานะฮูมหาบริสุทธิ์ยิง่งแต่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัลลอฮ์เอาโทษคนที่ว่าอัลลอฮ์มีลูกผู้หญิงนคนที่คิดว่าอัลลอฮ์มีลูกผู้หญิงคือไม่ใช่พวกเรานะพวกเยโฮดี พวกยะูดิยังตอนนี้ยังหลงเหลืออยู่นะว่าอัลลอ์ลูกอัลลอฮ์เน่ยอย่างพวกเราผู้หญิงน่เป็นลูกอัลลอฮ์หมดนี่ความเชื่อยังมีอยู่เรียกว่ากีดั้กว่าต่อมาครับ <c oughs> วาเลฮุมมายาสตาฮูนแต่พวกเขาตั้งแต่พวกเขาตั้งตั้งโน้นตั้งนี้ตามที่พวกเขาต้องการรู้เปล่าในกลุ่มอาหรับมีอยู่สองกลุ่ม กลุ่มกูเรชนะอะไรนะเผ่ากูเรชนะมีอยู่สองสองตระกูลหรือว่าสองนามสกุลที่เชื่อว่าอัลลอ์เนี่ยต้องการลูกผู้หญิงคือคุซาห์กับกลุ่มกานานะแล้วก็ยึดให้มล า, ายิกาเนี่ยเป็นลูกของอัลลอ์เป็นลูกสาวอัลลอ์ด้วยกลุ่มอา랍เนี่ยมีกสองกลุ่มนะคุซาห์กับกีหนานะหรือว่ากานานะ สองกลุ่มนี่นะครับว่าอัลลอ์เอามาลาอิก้าเป็นลูกสาวเราก็เลยให้ลูกสาวเราเป็นเป็นลูกสาวอัลลอ์ด้วยพป่น้องแล้วก็ดูแลเป็นไงดูแลไม่ดีเลยฉะนั้นคนอาหรับเนี่ยถ้าได้ลูกสาวมาละส่วนใหญ่มักจะฆ่าลูกสาวตัวเองโอ้นี่ยเราตาลาโกรธมากนะฆ่าลูกสาวตัวเองเอดูะดีษดูกุอ่านต่อไปหบแด وإذا ب ش ر َ أ َ ح د ه م ب ا ل أ ن س ى ظل وجهه م و َ د و و <ين> و ا وهو كظيم وإذا ب ش ر َ أ َ ح د ه م بالأنسا อุนซาแปลว่าลูกหอย بشروا แปลว่าข่าว ข่าวดีเมื่อคนหนึ่งคนใดของพวกเขาถูกแจ้งข่าวว่าภรรยาของเขาคลอดลูกเป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งคนใดหมายถึงผู้ชายพ่ออยู่ที่ไหนก็ตามแต่เมื่อรู้ข่าวว่าภรรยาคลอดลูก แล้วก็คอลูกเป็นลูกผู้หญิงที่ตัวเองนึกไม่เอาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยนะแล้วเป็นไงพี่น้องซอนล่วาจาฮูวาจาุนบาวะใบหน้าใบหน้าของพวกเขาแปละไานะหน้าดำหน้าดำทั้งวันเลยพารู้ข้าวว่าภรรยาคอลูกเป็นลูกผู้หญิงซ่อนล้ววาจาฮ รอนละวาจููเป็นไงนะหน้าใบาหน้านี่นะ่ะดำวาจููใบหน้าดำา้อนละแปลว่าดำแต่ต้บเสด็อธิบายว่าดำทั้งวันกลางคืนด้วยไอก้กลางคืนมันดำอยู่แล้วที่กลางวันกัองเห็นชัดใช่ไหมล่ะรอนละวาจููใบหน้าของเขานะั่นดำหมองคล้ำกลุ่มไม่สบายใจเลยที่มีลูกผู้หญิงเพราะความเชื่อของคนในวันนั้นเนี่ย เชื่อว่ามีลูกผู้หญิงน่ะเหมือนมีซ่วมอยู่หน้าบาน ท, ทำไงเครียดมากเลยมุสวดดันดำซาวดาแะแปลว่าดำวะฮุอากะรีมและพวกขาอะไรนะขมคืนอัลลอฮหักระบขมคืนนี่อัลลอฮฺเล่าเรื่อง ที่อัลลอฮ์รู้ทั้งหมดว่าเบาของพระ อ, องค์เนี่ยทำอะไรผิดผิดผิดผิดผิดประทาน่ันกรอณาลงมาผ่านนาบีมุฮัมมัดนบีเอาไปสอนคนกลุ่มนี้นี่กลุ่มนี้นะมันมันมีความเชื่อว่าใครที่มีลูกผู้หญิงแล้วจะนำมาซึ่งความไม่ดีไม่งามไปสอนใหม่ไม่ใช่ไอบ้านคียท้องทั้งหลายเราะนั้น คำเพีย์กนาเนี่อัลลอลาเล่าเรื่องของเราทั้งหมดน่แหล ะ, หละเล่าเรื่องมนุษย์ทั้งหมดพี่น้องครับเขาเอาลูกสาวไปทำไงรู้เปล่าเขาไปฆ่า oh แล้วก็มีฮะดีสอธิบายไปหลายฮะดีสนะบางทีเขาไปขุดหลุมมาว่าเนี่ยขุดหลุมขุดหลุมลึก บางวันเนี่ยรอให้ลูกโตนิดหนึ่งพอเดินได้อะไรได้เนี่ยพาลูกเข้าไปในในป่าแล้วก็จับลูกสาวเนี่ยโยนลงไปลูกสาวว่าพ่อพ่อยนูททำไมนั่นโดยความดีใจที่ฉันได้ฆ่าลูกสาวของฉันแล้ว <c oughs> ฮัลโหลอกบัชเนี่ยมีชื่อหลายคนเลยเนี่ยนะและพวกนี้ต่อมามารับอิสลามอะ่ะเสียใจร้องไห้กันหมดแล้วนะ เราอันนี้ไม่ใช่ฆ่าแบบคนยุค ก, ก่อนฆ่าแบบคุ้มกำเนิดละกินยาโอัลโลอ์นี่นนะบาปนันไหนอ่ะโอโลัลลอน์ั้งเงาทุบิลาแต่ทั้งคนที่ไม่เรียนาศาสนานี่เป็ น, น้องเ อ, อถูกหลอกใครหลอกเลยจะอูดีมันหลอกนะจะมีลูกมากนะ่าจะยากจนถามว่าริสกีอัลลอ์สร้างกี่วันสี่วัน สร้างอาหารริสกีแผ่นดินนุ่นในใ่ให้ให้สี่วันแล้วก็คนเนี่ยสร้างวันเดียวใช่ไหมนะ่ะและของสี่กับ1นึงกลัวทำไมอัลลอฮฺอาบริสกีของใครของมันอัลลอฮกำหนดไว้แล้วเนี่ยเนี่ยใช่ไหมกำหนดวันไหนนะ่ะวันที่เราอยู่ในคันมันดาอายุได้ร้อยยี่สิบวันให้ริสกีก่อนเลยนะ รกหูกำหนดริสกีให้แล้วก็อญาญ์วันตายให้เป็นคนดีหรือคนชั่วใช่ไหมกำหนดไว้เลยนาะพี่น้องทั้งหลายแล้วกลัวอะไรอ่ะยังมีพี่น้นเอาพี่น้องโอ้พี่น้องครับคนถ้าเชื่อผิดคิดไหมคิดผิดแล้วก็ถ้า ถ้าคิดถ้าเชื่อถูกคิดถูกมันก็ทำถูกนะไวเาบุชิรอาฮาดูุบิลอุนซาถ้าหากเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาถูกแจ้งข่าวว่าภรรยาค้อลูกเป็นโูกผู้หญิงหน้าของเขากลายเป็นหมองคล้ำไปทั้งวันแล้วก็เขาก็ขมขื่นคือพ่ออายอ่ะที่ตัวเองกลัวชาวบ้านจัดตำาหนิ นะครับเนี่ยอลัลลอฮ์เล่าถึงอะไรนะอัครีดาความเชื่อของคนในสมัยนูน้นสมัยนี้ก็เหมือนกันนะมีอยู่สองตระกูลอา่ามีอยู่ตระกูลหนึ่งเ่วตระกูลตามีมตระกูลตามีมเนี่ยฆ่าลูกผู้หญิงเยอะที่สุดอลัลลอฮ์นำเอามาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้แต่พวกเราวันนี้ก็เป็นเป็นคนที่ฆ่าทั้งลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายหนักกว่าคนสมัยก่อนอีก ฟาโรฆ่าลูกอะไรฆ่าลูกผู้ชายท่านกลัวอะไรกลัวจะมาแย่งบัลลังก์ใช่ไหมคนสมัยก่อนนี่นะฆ่าลูกผู้หญิงเพราะชาวบ้านเชื่อว่ามีลูกผู้หญิงเหมือนมีสวมอยู่หน้าบ้านฆ่าหมดก็ฆ่าเหมือนกันวันนี้เราก็ฆ่าลูกทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะกลัวความยากจนฟาโรฆ่าลูกผู้ชายกลัวว่าจะมาแย่งอํานาจตัวเอง ใช่ไหมอัสตักยูลลอไม่มีใครฆ่าเพื่ออัลลอฮ์เลยฆ <c oughs> ่าเพื่ออัลลอฮ์มีไหยไม่มีก็มีแพะแกะวัวควายที่ให้ฆ่าเพื่ออัลลอฮ์ฉะนั้นเรามีลูกก็ อ, อบรมลูกให้รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาละไม่มีทางอื่นมีอยู่ทางเดียวแต่วิธีที่จะเชื่อคูณพงคุณบาทนีว่ว่าให้ดบเบิบรอฮีมลุลไอสมาอินมาทำเป็นแบบเอาไวนะ้น่ะ ใช่ไหมนั่เชื่อในความบริสุทธิ์ใจแต่ Allah ก็ไม่ให้เชื่อใช่ไหมสงใครมานะยิบรีนยิบรีนว่าฉันเนี่ย Allah สั่งปั๊บปับถึงเลยนะมีอยู่สคนเล่าใหม่หนึ่งอิบราฮีมนบีอิบราฮีมถูกโยนใส่ไฟ Allah ว่ า, ายิบรีนนูอิบราฮีมเขาจับโยนใส่ไฟกันแล้วไปไปไปก็ไปช่วยนั่นช่วยคนไนงะ เพราะคนเป็นคนดีที่ว่า ด, ดีเพราะเขาอยู่กับาศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานูวตาอลอุมเอาไว้แล้วก็อัลลอ์ก็สั่งสั่ ง, งไฟอ่ะยานารุกูนี่บัดดันวาซาลามันอาลยอิบรฮมไฟเอ่ยเย็นแล้วก็สันติด้วยนะเย็นอย่างเดียวไม่สันติก็ตายอ่ะเย็นจัดซาลามันว่าบัดันวาซาลามันสองคำ เย็นด้วยแล้วก็สาลามัตด้วยปลอดภัยด้วยเห็นไหมอย่างตู้เย็นเรานะ่ะเย็นอย่างเดียวบางทีก็ไม่สาลามัดเหมือนกันเก็บไว้นั้นเสีย <c oughs> อ่าลาอิบรอฮีมเฉพาะอิบราฮิมท่านเดียววันนั้นไปได้เย็นทั้งโลกนะเฉพาะท่านดารียคนเดียวเนี่ยถ้าอ่านกรุรอานแล้วรู้ไฟมันเย็นทั้งทั้งโลกหรือเปล่าไม่ใช่เย็นเฉพาะอิบรอฮีมคนเดียว อัลลอฮ์สั่งยิบรีลแล้วก็สั่งไฟด้วยคนที่สองน่ะนบีอิสมาอินอิบรอฮิมจะเชื่อลูกชายอ่ะัลลอฮ์สั่งยิบรีลอืมจะเชื่ออยู่แล้วลงไปพยายามยันเอาไว้คนที่สามนาบียูซุฟอะไรงี้สลามที่โยนสยบนะ่บโบน่ะเอายิบรีลก็ลงมามาอุ้มนบียูซุฟมาให้ตายในบโบคนสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดที่ถูกรังแกที่เหมืองตอฮิฟ ถูกหินถูกควา้างจากเด็กๆหนุมๆเนี่ยยิบรีนอลัลลอฮ์สั่งว้าอย่าให้เลือดของนบีุมมัดถูกพื้นนะถ้าถูกพื้นหยดเดียวนะต้นไม้อันนี้จะไม่ขึ้นนะเห็นไหมขอบคุณอลัลลอ์ที่ยิบรีนมาเล่าให้เราฟังวันนี้เพื่อให้อิมานของเราเนะ่ยเข้มข้นขึ้นเท่านั้นเองนะครับเอาต่อมาอายะห้านะครับมีลูกเล่าเรื่องลูกผู้หญิงนี่แหละย่าเล่าเล่ า, เ ล, าเล่านานหน่อย ยาตวารَมิณัลِ้ามิมินซูอิหْาบุชิโรَิَิายุมสิกุหูอลาฮาุนินอวยอัมยาดَََุุูิตَรอบอลาสัมยาฮกูมَ و ย ا ตَ و ร ا แปลว่าซ่อนมิณัลข้ามซ่อนตนเอง จากผู้คนมาถึงหลบหน้าหลบตาไอามีลูกผู้หญิงอโลอักบัตมีลูกผู้หญิงหลบหน้าคนไม่อยากจะเข้าหน้าคนเพราะไอมินซูเนื่องจากความชั่วที่้มาถึงข่าวชั่วชั่วข่าวไม่ดีมาบุชรบิบาที่ถูก ที่ได้ถูกแจ้งเขาว่าภรรยาได้ลูกผู้หญิงเพราะเขาเนี่ยมันออกไปชาวบ้านรู้สามีหลบคนไม่อยากจะไปหาคนไม่อยากจะเจอกับคนอตามธรรมดานนั่งร้านกาแฟอย่างพวกเรานั่งร้านกาแฟใช่มเช้าเช้าเนี่ยกินปาท่องโกตัวนึ่งนั่งสองชั่วโมงไอ้คนที่เคยกินกาแฟกินปาท่งโกวันนั้นไม่เข้าไม่เข้าหน้าพวกอายพวก เพราะมีข่าวว่าภรรยาข้อลูกเป็นผู้หญิงอย่างพวกเร า, าเนี่ยเรียนซุนน่าเยอะๆเพื่อเพก่อนตํานี้ไอ้คณะใหม่สองวะฮาบีสามโกมูโดเคยกินน้ำชายอยู่ร้านไม่ข้าเขา้าถูกอะไรนะถูกชา บ, บ้านเล่นงานแต่เราไม่จะเปรียบเทียบแบบนี้เรานี่คุยให้ฟัง อย่าแต่ว่าเรอมินลเกามิมินซูอิมซูอิมาบุชรเราบีพวกเขาซ่อนตัวเองจากผู้คนเนื่องจากความชั่วหรือข่าวไม่ดีที่ได้ถูกแจ้งกับเขา ว, ว่าภรรยาคอลูกเป็นลูกผู้หญิงอายุมซิกูหูอ้าแปลว่าหรือจะเลี้ยงเขา อาลาเเน้นด้วยคาอับะยะไม่ไม่ไม่ฆ่าให้ตายนึกถ้าจะเก็บไว้นี่ก็ได้แต่ต้องเลี้ยงแบบไม่ต้องดูแลเลี้ยงแบบหมาเลี้ยงแบบแพะแกะวัวควายเลี้ยงแบบสัตว์ไปเลยเมเนี่ยต้องการจะสอนเหมือนกันเวลามีลูกเนี่ยต้องเลี้ยงลูกให้ดี ถ้าเลี้ยงลูกไม่ดีอายุมซิกูฮลาลเฮอ้นควรที่จะเลี้ยงมันด้วยความอัปยศโอ้โหเห็นไหมทีนี้สมัยนี้เนี่ยเลี้ยงลูกก็มือไม่ส่งให้เรียนหนังสือนี่แหละเป็นการฆ่าลูกพ่อพอคนรุ่นก่อนนั่นแหละไม่ส่งลูกเรียนหนังสือก็ตัวเองไม่ได้เรียนนั้นลูกฉันก็ต้องพ่อๆ่กับฉันนี่แหละ ไปน้องส่งลูกเรียนหนังสือเธอเพราว่าอะไรนะกุรณาญาแรกที่เาลารอบประทานลงมาเรื่องอะไรอิกเราะจงอะไรจงเรียนวิธีที่จะอะไรนะล้างไอ้ญาลูกความโง่เขาเนี่ยต้องเรียนหนังสือแล้ววิธีที่จะล้างอะไรนะ้ไอ้เนี่ยบิดาต่างๆต้องเรียนซุนนะถ้าอย่างงั้นอ๋นอักบ้าไม่รู้ว่าทาอะไรอ่ะเขาทำอะไรลูก แค่นั้นลูกต้องขอดูอาให้เราได้หลังจากตายได้ต้องลูกต้องเข้าใจาศาสนาต้องอยู่ในสังคมนี้ดูแลบ่าวของ Allah ขอัลลอฮ์สุบฮัดอัลาซึ่งกันและกันแต่มันต้องดูแลลูกให้ดีแต่นบีจะเ น, น้นนะลูกผู้หญิงเอาไปดูกูอานาญาอื่นก็มากันนะไวลาบุชรอบิลอุนซาเนี่ยเช่นอย่างอัลลอฮ์นนะจะให้ลูกผู้หญิงกับใครก็ได้และอัลลอฮ์จะให้ลูกผู้ชายกับใครก็ได้ อัลลอฮ์เอ่ยลูกผู้หญิงก่อนลูกผู้ชายนี่ตัาซส้อ ธ, ธิบายดีนะทําไมอัลลอฮ์พูดเรื่องลูกผู้หญิงก่อนลูกผู้ชายเอ้ามาสมาสมัยนี้นะลูกผู้ชายเลี้ยงยากกับลูกผู้หญิงใช่ไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่อัอลลอฮ์อะไรมายาเสพติดใช่ไหมแล้วไอ้แวนแว่นอยู่ข้างนอกอีกอนะลูกผู้ชายทั้งหมดนี่นะเออใช่นะ่ะมันนึกนึกไปใช่ วันนี้เรียกลูกผู้ชายนักใจที่สุดท่านครอบครัวใดที่ลูกผานลูกผานทมดุลิลลาท่า น, นพ่อแม่จะดีใจสุดท่านลูกได้แต่งงานใช่ไม่ไดรขอดออกมามาใช่กระเทยทำดุลิลลาดีแล้วขอบคุณอัลลอฮฺสุยูดส่งลูกเรียนหนังสือวันนิการลูกพ่อดีใจที่สุดไปเลยพาไปสวรรค์ด้วยนะทำดูลิลลาคุ่น้อง ลูกผู้หญิงอ่ะคนนี้กาแล้วกส บ, บ้ า, ายใจวันนี้ที่ปวดหัวมากก็คือลูกผู้ชายไอ้มัดไอมุดไอ ม, ไอมีนนี่แหละหืมอร่อยจริงๆ <c oughs> ทีนี้เลี้ยงลูกผู้หญิงนี่นะเลี้ยงด้วยความอับอายตเลี้ยงไงรู้ไหมไม่ให้มรดกอืมไม่เอาใจใส่ นี่คนสมัยก่อนเขาทากันอย่างนี้ไม่ค่าลูกผู้หญิงค่าทั้งเป็นก็ได้แต่จะเลี้ยงแบบไม่ให้ความรู้ไม่มีการศึกษาไม่ให้มรดกไม่เอาใจใส่ใมนั้นมุสลิมทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นั่นยายนียาเขาทำกันนบีมุฮัมมัดมาม า, มาทําลายยายนิย า, ยานี้ทั้งหมด เราต้องเลี้ยงลูกของเราให้ดีฉะนั้นเลี้ยงไม่ไหวอย่าเอาลอฉันเลี้ยงได้แค่นี้แหละอัลลอ์ดูแลแทนฉันด้วยต้องขอดูอาตอ Allah, ัลลาาอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل านะครับอัมยัดุซุฮูฟิตุรอหรือฝังลูกสาวทั้งเป็ดเลี้ยงก็เลี้ยงเหมือนกันแต่เลี้ยงแบบเป็ดไก่หมูหมาถ้าไม่เลี้ยงก็จับลูกฝังทั้งเป็ด อัลลอฮฺนาอูซิบิลลาฮิมินซาลิกขอบคุณอัลลอหฺนะที่อัลลอฮเล่านได้คุณอ่านให้ฟังถามว่าทั้งสองอย่างนี่เลี้ยงลูกแบบไม่ให้มีการศึกษาเลี้ยงลูกแบบไม่เอาใจใส่หรือไม่ก็ฆ่าเนี่ยถามว่าทั้งสองอย่างนี้นะ่ดีหรือเลวคำคุณอ่านต่อไปอัลลสมยาฮฺกูมูอ uh ัลาบอจงรูเบิด ซาาแปลว่าชั่วช้าเลวแท้แท้ที่พวกเขาตัดสินใจเห็น ไ, ไหมจะ ต, ตัดสินใจเก็บไว้ก็เลวเก็บไว้แบบไม่มีการศึกษาไม่ส่งเรียนหนังสือไม่อบรมอัครากเหมือนสุนหรนาบีเนี่ยนะนั่นหละคุณกาลังทาลายลูกของคุณเป็นการตัดสินที่ผิดทั้งคู่จะฝังทั้งเป็นก็ผิดจะเก็บไว้กว็ผิดเพราะเนรคุณเสียตั้งแต่ต้นแล้ว ด้านพ่อตองเรียนศาสนาเยอะๆอ้าววันนี้มีลูกเหมือนกันไม่ได้อบรมลูกให้รู้จักสุนนานาบีแต่เดินให้รู้จักสุนนายะฮูดีได้อ้าวเลวก็ดเลวมั้หละพ่อแม่ที่ปล่อยให้ลูกเนี่ยเอาสุนนายะฮูดีมาใช้พอวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแล้วก็เป่า <c oughs> เตาเตาเทียน ซุนหน้าของใครอ่ะของมบีอินซาก่อนไม่ใช่ของใคร <c oughs> ของใครเดี <c oughs> แล้วอ่นี่กินอาหารก็มันกันเอาง่ายๆอ่ะไปกินพัตคารที่ไหนอ่ะนี่แต่เจ้าเนี้ยโดนระยาสเต็กเฮาส์ผมไปครั้งแรกเขาให้ช้อนมากับไรนะมีดเขาซ่อมไปสั่งเนื้อสเต็ก จับมีดมือขวาจับซ่อมมือซ้ายรับวก็หันแล้วก็จับมือซ้ายใส่าปากนี่สุนหนห์านาบีหรือสุนหนห์ใครกินมือซ้ายเนี่ยของใช้ตอนทั้งหมดนะนั่นถ้าพ่อแม่ไม่สอนนะมันก็มันไม่ต่างอะไรคนทุนก่อนนะเอาลูกเก็บไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้สอนอิสลามอัลลาฮาอามายากุมูนที่คุณตัดสินเอาลูกไว้แล้วไม่สอนอิสลามนะ่ะ เป็นการตัดสินที่ผิดผลบุญของคุณไม่มีคุณจะต้องถูกสอบแน่ๆจากอัลลอฮ์ซุบฮิวาวะาตัอาลาเพราะอานคุณอ่านลูกคนลุกนะฉะนั้นหน้าที่เราเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ย่ยต้องรับผิดชอบนะพไปน้องอัลลอกอบานาวิบิลลาฮอิซาลิขอานไปทองครับอายาต่อมาครับอายาที่ห0สบ ل ل َ ذ ِ ي ن َ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ลิลลัยนี่น่าเล่าอยู่นาบอะคนี่ต้องการจะอธิบายว่าใครที่มีอกีดะใครที่มีความเชื่อไม่เชื่อโลก mm hmm. อาคิรอ ah. อัลลอฮ์เปรียบเทียบว่าเป็นอะไรนี่มุสลิมเราก็เยอะนะพูดว่าถ้าวันกิยามะมีจริงนี่แสดงว่ายังสงสัยว่าอาคิรอ ah. มีหรือไม่มีมีหรือเปล่าสงสัยนะ พอภาษาพูดชัดเนี่ยถ้าวันอาคิรอมีจริงถ้าชาติหน้ามีจริงสงสัยใช่ไหมเอาอ่านอายานี้อลิลลาลัยยุมินูนะบิลอะคิรอมสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาลายุมินูนไม่เชื่ออะบิลอะคิรอมในวันพอดโรอัลลอฮ์ต้องการจะเล่าว่าคนที่คิดอย่างนี้น่ะ เป็นคนประเภทไหนมาสารุสูพวกเขาอยู่ในสภาพชั่วใครพูดเอาลอพูดเลยเห็นไหมใครที่ไม่เชื่อโลกอาคิร่าว่าตายแล้วฟืน้นตายแล้วต้องมายืนอยู่ตัวหน้าอัลลอหรือว่านอนอยู่ในกูโบเนี่ย อัลลอฮฺสอนกับนบีใช่ไหมว่าฉันนี่นะจะให้มาลายิก้ามาสอบสามข้อมารอบบูกะมันนบียูกะมันอิมามูกะใครเป็นพระผู้อภิบาลของท่านใครเป็นนบีของท่านใครเป็นอิหมามของท่านถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเตรียมตัวไปเลยใช่ไหมไม่เชื่อโลกอาคเชรอว่าท่านจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺ แล้วทุกคนแก้ผ้าหมดเลยกูไม่เชื่อแล้วก็เหงื่อบางคนถึงคอหอยถึงหน้าอกฉันไม่เชื่อแล้วก็ท่านจะอยู่ในสวรรค์ถ้าท่านเป็น้องเป็นคนดีมี إ ي م านสงสัยไม่ใช่ไม่เชื่อเอลเลิศหลอกอล่อให้เข้าส ว, สวรรค์แล้วก็มีนรกอีกฉันไม่เชื่อนะ ไอ้คนที่ไม่เชื่อโลกอาร์เคโรสทั้งหมดจะเป็นภาพไหนก็ตามอธิบายว่าไงนะมาซลุซูคนนี้เป็นคนอยู่ในสภาพชั่วที่สุดเลวที่สุดคํำว่าเลวที่สุดอธิบายยังไงเป็นคนชั่วที่สุดคือความจริงอัลลอฮ์เล่าในคุรานแล้วคนที่ไม่เชื่อโลกอาร์เคโรสเขาเรียกว่ากาเฟนใช่หรือไม่ใช่ แลกาเฟตแปลว่าอะไรพวกที่ปฏิเสธภาษาในเพรา ะ, ะอะไรปฏิเสธ เ, เ, เ, เพราะหรือพี่น้องกาเฟเพราะหรืออัลจารุแปลว่า stupid โง่เบาปัญญาเพราะหรอสารพัดถ้าอ่านจะพูดอานมีชื่อเต็มไปหมดพี่น้องเอาคนที่ไม่เชื่อโลกอาคือรอยพี่น้องครับ จะพูดใส่ร้ายอัลลอ์เสมอแหละเพราะตัวเองคิดว่าจะต้องไปถูกสอบจากอนะัลลอฮ์น่ะใช่ไหมนะ่ะเอาฆ่าลูกผู้หญิงนะ่ะดีล่ะ ว, ว่าอัลลอฮ์มีลูกผู้ชายชื่อนาบีอิสานะ่ะอัลลอ์ไม่โกรธเธอแคนั้นคนที่ไม่เชื่อโลกอาฟิรอเนี่ยจะใส่ร้ายอัลลอ์ได้ทั้งหมดนั่นแหละฉันอัลลอ์ตั้งชื่ออะไร ก, กุฟรุนวจจะจาลุนเป็นคนที่อะไรนะปฏิเสธอัลญาลู โง่เขาเบาปาัญญาสองภาษานี่เพราะเลยอย่างเราเ น, นี่ยใครมาตำหนิว่าโง่แหมงขึ้นเลยของขึ้นเลยละ่ะเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮ์อักุบัตคนจะพูดว่าอลัลลอต้องมีลูกอลัลลอเงาจะวงให้ดีนะอลัลลอเล่นงานมึงนะถ้าเชื่อโลกอาคิร้อนนะสภาพของคุณไม่มีอะไรเลยสะอาดบริสุทธ แต่ถ้าไม่เชื่อภาพคุณจะยืนสภาพที่เลวที่สุดตามชาติที่สุดนี่พวกอันฮะติสพมาคืนหนึ่งก็พูดที่บางบางกลาอัาบเีศสอนอย่างนี้นะอันอบียัลลัมอบียัลลัมพูด บ, บว่าก็ล่ซามีอาอบูฮุรัยรห์รจลันอับูฮุ ร, ย, ย, รยรห์เนี่ยได้ยินชายคนหนึ่งพูดก็นั่งนั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละ พูดไวไงนะอินนัลลอฮ์ลมคนที่เนี่ย อ, อาธรรมเนี่ยนี่คนอาธรรมนะคนที่ไม่เชื่อโลกอาคิราอวามีเนะี่ยคนชั่วนะเป็นคนอาธรรมอาธรรมกับตัวเองันหนักที่สุดนะคนอาธรรมนะละยาดุอิลลานับซาฮูเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครหรอกนอกจากตัวของเขาเองพูดภาษานี่ถูกหรือผิดคนชั่วชั่วเนี่ย ไอ้ความชั่วกระตกมาหาเขาเนี่ยพูดอย่างนี้น่ยถูกหรือผิดท่านอบูเราอหนั่งนั่งนั่งอยู่ด้วยพอเขาพูดจบคือว่าคนชั่ว น, นั้นไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครเขาทําความเดือดร้อนให้กับตัวของเขาเองพูดอย่างนี้ผิดท่านอบูรลาะหหันมามองเฮ้ย พูดอย่างนี้แหละถูกแล้ ว, ลวนะนี่ท่านพูดบอกว่าวัลรอขอสาบานต่ออัลลอฮ์นี่ใครพูดนะอับูเลยรออับู ร, อ, อ, บรอนลูเซตไครลูเิตนบีใช่ไหมอยู่กับท่านนบีมากี่ปีเจ็ดปีใช่ไม่ใช่ติดตามนาบีไปตลอดไปไหนมาไหน บูรารกับประกอบประกอบแล้วก็จำหะ ด, ดิษเต็มไปหมดน บ, บีสอนใครอบรมใครท่านฟังตลอดได้ยินตลอดแล้วเป็นไงครับท่านบอกว่าไงนะรู้ั้มอันอันนัลฮุบารอนกนกที่บินบินอยู่เนี่ยนะลาจะมูดเกือบจะตายเกือบจะร่วงลงมาตายฟีวักริฮาขนาดที่มันอยู่ในรังของมันะ่ะมันเกือบจะตายนะ ถ้ามีคนคนหนึ่งทำความอเลมทำพิษสัตว์นกที่อยู่ในรังน่ะเกือบจะดิ้นตายอยู่แล้วบิรุลนมีอเลมด้วยความชั่วของคนที่ทำชั่วมน้องนกอีกขดิษหนึ่งอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่นกนะครับนั่นอีกขดิษห น, นึ่งานะแมลงอ่ะ มแมลงตัวดำๆที่ปีกแข็งอะ่ะที่อยู่ในรูของมันอยู่ในดินเนี่ยนะมันเกือบจะหายใจมาออกเกือบจะดิ้นตายเมื่อคนชั่วคนหนึ่งทําบาปอยู่บนหน้าแผ่นดินไปนี้ใครก็ได้สักคนหนึ่งมันคนที่ฆ่ามุสลิมยกตัวอยา่างทำทำชั่วหรือทําดีทําชั่วมากเลยนะฆ่าคนนามาตอย่างเงี้ย ยิงกาดใมอสกิปุ๊บๆๆสิบศบเขาทำอะไรผิดนะเขายืนดุอาต่ออัลลอท์แาไอ้คนยิงนี่นะรอเล็มที่สุดเลวที่สุดมไม่มาใช่สิบคนตายนะนกตายอีกสัตว์ที่อยู่ในรูเล็ก ๆ, ๆสัตว์ปิดแข้งตายอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้เ น, นี่ยนะพอจะมองไม่เห็นดูสายตา ท่านท่านอับดุลมัดไม่เล่าซอ บ, บ้ า, นนาบดลมไม่เล่าไาฟังรู้หรู้ฉะนั้นเวลาเราอ่านดุานเนี่ยสุบฮา น, นัลลอฮมกดีใจข้างบนน่ะกด่าไอฮนี่ยสัตกูจะตาอยู่แล้วใครด่าอยู่ในข้างบนนี่น่ะกูหายใจไม่ออกอึดอัด ทำไมไม่พูดของดีๆสุบฮานอัลลอฮฺละหมดุลิลละมาละอิกาข้าขงบนนะชื่นอกชื่นใจพอวิญญาณของคนที่ดีออกจากร่างเนี่ยเอากินหอมออกจากร่างหอมหรือไม่หอมน่ะหอมทั้งทันฟ้าหมดเลยอ่ะมลอิกาทาวันนี้กลิ่นกลิ่นของใครมันหอมอย่างนี้อ๋อกองยูซุฟบางอออหวิญญาณขึ้นข้างบนอันลลอฮหอมกุนหมดเลย อย่านี้เป็นต้นแค่นั้นต้องนึกนะคนทําความชั่วนี่นบีเล่าให้ฟังนะซาบานนบีเล่านะนกที่อยู่ในอากาศกับสัตว์ที่อยู่ในรูปสัตว์ปีกแข็งนะตายอ่ะทำไมตายก็อึดอัดมันไม่รู้เรยว่าไอ้อึดอัด น, นะเพราะคนชั่วทําเลวว่าหยุดหน้าดุนยาไปนี้มีเป็นต้นนั่นขอบคุณอล l l a h ขอบคุณนบี ขอบคุณสหาบ้างที่ได้ทำอะไรดีๆให้กับพวกเราได้อธิบายอิสลามแบบแบบง่ายๆเอาไปน้องจะจบแล้วสินะวลิลลอฮิลมสลุลอาล่าไม่ใช่ใช่ไหมอ่าใช่วลิลลอฮิลมสลุลอาล่าแต่สำหรับอัลลอฮ์นั้นคือ คุณลักษณะอัลเลิะอัลลอ์นั้นมีสิ่ัต์มีลักษณะที่ไม่มีอะไรเหมือนเท่าอัลลอ์อัลลอ์เลิศที่สุดดีที่สุดนะครับวะฮุบัลอซซุลฮะกพระองค์คือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณคือน้องครับประคำดุลิละเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับ นี่ได้ข้อสรุปจากวันนี้นะเอาลอหลายเรื่องนะที่ดีๆเอาสรุปสั้นๆก็คือมีลูกอ่าคุาณอานพูดอย่างนี้ยาฮาบุลิมัยยาชาอุอินาซาวะยาฮาบุลิมัยยาชาอุซูกูรอ Allah ให้ครอบครัวไหนมีลูกผู้หญิง แล้วครอบครัวนายมีลูกผู้ชายเยอะๆลูกผู้หญิงเยอะอัลลอฮ์รู้มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดอย่างครั้งที่แล้วใช่ไหเราเรียนว่ายังไงนะว่ามา min ว่มาบิคุม m i น n yamatim فَمِنَ ا ل ل َّ ه อะไรก็าตามที่ท่านอัลลอฮ์ให้อยู่กับท่านเป็นเนือมาตทั้งหมด น, <S <S นั้นลูกผู้หญิงก็เป็นเนือมตลูกผู้ชายก็เป็นเนื้อมาตบ้านก็เป็นเนื้อมาตรถก็เป็นเนื้อมาต ต้องขอบคุณ a l l a ให้หมดแล้วก็ดูแลมันให้ดีนะครับมีเนี่ยมัดเงินต้องจ่ายนะนะจ่ายสกาดเยอะๆต้องจ่ายสกาดมีลูกเยอะต้องจ่ายสากาัดไหมมีลูกต้องจ่ายสกาดไหมาาไม่ต้องไม่ต้องนะครับไปดูแลลูกให้ดีนะเีอยอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับสุภานะ Allahumma wabiyhabika Rasulullahillah illa anta ข้าห ن ้าอินเดียคุณดูมิ و อุ้ยสุล ا ل ยล่ะอิลลั่ออัลลอฮฺอัสตะฟิรุกวาตุบุอิไลค์วัสซัลลั